ช้าๆเลยช้าๆทีละอาย่าทีละอายอ่าัตามช้าๆอวัเดียวแล้วก็ให้คุณตามนฟังอ่านตามออบิลลาินันูีบิสมิลลา ب س م ي ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ي س م ع آ ي ا ت ا ل ل ه ي س م ع آ ي ا ت ا ل ل ه ِ ت ُ ط ع ل ي ه ِ م ทุม س โยศิริมุตตะบิรุงกาลามยัสมหาบาชิรุ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا إِتَّخَذَهُ ز ُ و َ ا أ ُ ل َِّ ك َ ل َ ه ُ م ْ عَذَابُهُمْ م มื่อรอ ه ิหินَจห์นัมวลายุนีอั و หุมน ي و ะล م ะมัตทั่ د มิ่ ل ل ูนิลอีอาลีอัลฮะมัลลิอ ا ลฮุ ف َ خ َ ر َ ك ُ م الْبَحْرَ ل ِ ت َْ ر ِ ي فُلْكُهُ فِيهِ و َ ه ِ ي بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَأُ م ن ف َ ض ْ ل ه ว่าละกุมทั ل กุรุบาศโพละบุิสฺมิลลาห ه ن รฺรฺ ع ฺ و มะนฺิรฺฺฺฺَِิมีนُัลฺฺหฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ا ฺฺ ل ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺ ل, ل, ل, ل ه ฺฺ ا ฺฺฺَ ي ฺฺฺฺ ه ฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺَََُْ ه � اللهم ب ك أ ص ب ح ن ا و ب ك أمسينا و ب ك نحيا و ب ك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله ا ل ت ا ما تنشر م ما خلق بسم الله الذي لا ي د ر م ما س م ه ش ي ء في الأرض ولا في السماء ووسميع العليم رضيت بالله رب وبالإسلام دين وبمحمد رسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل و س و ء الكبير ربي أعوذ بك من ع ذ ا ب في النار و ع ذ ا ب في القبر اللهم عافني في بدني و ع ف ن ي في س م ع ي و ع ف ن ي في ب ص ر ي سبحان الله وبحمده ع د د خ ل ق ه ورضا ن ف س ه وزين ة ع ظ ي ه و م د ا د ك ل م ا ت ه يا حيو يا قيوم ب ر ح م ن كأستغيسه أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس ت, ت ف ت ع, ين ين ن ت إ إ ت ع, ع ي ن ح د ب ي الله ونعم الوكيل ا ل ا ما أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستعد أبو ألاك بنعماتك ع ي ز وعبو بذنب خف لي فإنّه لا يغفر ذنوب إلا أنت اللهم إني أُعذُبك من شرّ و ث ن ك. ا ك أسبحنا على ف ت ف ر ا الإسلام وعلى كلمات إخلاص وعلى دين أبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم ح ن ي ف مسلما وما أ ن ن ا ل م ش ر ك ي ن サมลุมะมตุลลอฮบรกาตุี่น้องที่ร่วมนมัสซุบที่มัสยิดอันวาิสุนะที่รักทั้งหลายครับแลงที่ติดตามฟบุสวรรค์นในบ้านที่นั่งอยู่ที่บ้านท่นนะครับขอบคุณมลเจาเล่สุขภาพแข็งแรงหลังจากได้ป่วยมาสามอาทิตย์นะวันนี้ก็พอมาได้ก็เลยมากุรานที่เด็กนะครับ อ่านเสียงเพรดีนะอ่านไปแล้วห้าอายานะจะอธิบายเท่าที่ไหวนะยัสม่าวอายาติลยัสมาา่าวแปลว่าเขาได้ยิน อายาติลาแปลว่าสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์คือได้ยินอัลกุรอานนี่แหละเรียกว่าอาญาได้ยินสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์ตุธ ล, ลาอาไลฮ์ถูกอ่านให้แก่เขาคือนบีเนี่ยมาอ่านกุรอานให้คนการฟตฟังให้คนคนรอบๆตัวนบีนัฟังพอฟังแล้วเป็นยังไงละ่ะซุมมายุซิรุพวกเขาเนี่กลายเป็น พอได้ยินคุณอ่านเนี่ยแทนที่จะจะนอบน้อมท่อมตนกับกลายเป็นมุสตักบิรันเบวาโยยิงจ้องหงองกัลลามยัสมาฮาทําตัวเหมือนกับเขาไม่ได้ยินคนประเภทนี้เป็นยังไงฟร บ, บาชิรุจงแจ้งข่าวดีแก่เขาบิอาซาบการลงโทษอาลีมินที่เจ็บปวดได้ยิน อ่า น, น, นอ่านพรคัมร์ก็คราพับอ่า น, นอ่านพับก็เข้าใจพระานใช่มากแต่ทําตัวตรงกันข้ามเลยได้ยินปั๊บขวางเลยทําตัวเหมือนไม่ได้ยินแล้วก็เย่อหยิงจอมหองอวดดีเลาบอกว่าขอบพรชีฐุจมแจ้งข่าวดีกับคนประเภทนี้ว่าอาซาบินการลงโทษอาลีมินที่ที่เจ็บปวดทุกลงว่าการลงโทษนี้ไม่มีอย่าง มีพระอยู่องค์ทเยียบคุณอ่านใช่ไหม น, น, นี่จะอธิชัเลยเข้ากับอายานี้แหละแต่อันนี้ตอนตอนนี้อัลลอฮ์ยังไม่รีบลงโทษเราปล่อยไปก่อนระยะหนึ่งสักห้าปีสิบปีไอห้าปีสิบปีเนี่ยที่กระวินเวลาว่าไม่รีบลงโทษทันทีทันใดเพราะนาบีเคยขอดดอาเอาไว้อัลลอฮ์ก็รับดดอาตอนนี้ เราวิ่งเวลาให้แล้วห้าปีสิบีถ้าไม่ยอมต่อบ้าตัวไม่ยอมไปเรียนศาสนาอิสลามที่นี้แหล ะ, ล ะ, ละเล่นเล่นงานแหละจะเล่นงานได้แบบไหนวันเราวันเราไอ้ทีผ่ผ่านมาก็คือเล่นงานแบบให้ใ ห, ให้ให้ไฟผเผาให้ไฟไหม้ในรถบ้างอะไรบ้างที่ตอนตายก็มีมีอะไรนะมีหนอนทำตัวก็เคยมีมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ดูถูกกุณอ่านคนที่เผาคุณอ่าน โคตรี่ยยีมอัลกุรอานคือถ้าอยู่ในใจไม่มีพระถ้าแสดงออกมาไรก็นั่นแหละอัลลอฮ์เอาเรื่องยาสม่าวะยาติลละพวกเขาได้ยินสัญญาณหนึ่งห่ง ต, ต่างๆของอัลลอฮ์คือได้ยินคุณอ่านแล้ว ยุดตุทะลาและให้ทูงอ่านให้แก่เขาสุทธาสธยาจกอธิบายให้แก่เขาซุ่มาหลังจากนั้นยุสเซรุเขากลายเป็นมุสตับเรอนยอะยิ่งจ้องหองอวดดีกับอัลลามยัสมาาเหมือนกับเขาไม่ได้ยินลมามแปลว่าไม่ ย, ยัสมาได้ยินลามยัสมาหาไม่ได้ยินว้าบาชิราาชุฟ้าแปลว่าจากนั้นบาชซรุจงแจ้งข่าวดีแก่เขา นี่เป็นการเยอะๆลอยเยอะๆนะความจริงมันมันมันมันมันมันต้องข่าวไา้ใช่ไหมบอกว่าข่าวดีเบอาซาบิน้วยการลงโทษอาลีมุนที่เจ็บปวดจงแจ้งข่าวดีแก่เขาคนที่ดูถูกโกนอ่านดูถูกสัญญาหนึ่งของอัลลอฮ์เนี่ยด้วยการลงโทษอันเจ็บปวดแต่เรื่องจริงนะ ที่ ผ, ผ่านมาก็หลายคนถูกแล้วในสมัยนบีก็ถูกกมาหลายคนแล้วก่อนที่จะพูดอาญาเนี่ยขอเตือนพวกเราเองนะครับบอกว่าลูกที่ซ้อนแล้วของพ่อแม่ให้ทำสีข้อลูกที่ดีเนี่ยให้ทําให้ทำสีข้อเดิมไม่ต้องเตือนให้นามาให้ครบวันล้าเวลา ไม่ต้องเตือนกนนารนมาดให้ครบห้าวเวลาสองให้นมาศให้คร บ, บรวันแลห้าวเวลาโดยไม่ต้องเตือนข้อที่สอง ลูกต้องไม่ติดยาเสพติดแม่จะบุรีก็อย่าสุก ข, ข้อที่สามแต่งงานากับภรรยามีคู่ครองที่ดีที่ที่เอาศาสนาพ่อแม่สบายใจแล้วก็ข้อที่สีเนี่ย ข้อที่หนึ่งน้ำมานอย่าขาดข้อที่สองย่าติดของมึนเมาข้อที่สามอะไรอย่างเง้ผมอบอลืมไปแล้วแม่อะไรนะหาคู่ครองที่มีศาสนาแต่งงานข้อที่สี่ข้อสุดท้ายนี่ลืมไปแล้ ว, ลม ไ, ลวลมไม่ออก ขอดุอิให้พ่อแม่นี้สำคัญมากสี่ข้อด้วยกันถึงยังผมกับพ่อแม่กับตาไปหมดแล้วก็ต้องขอดุอิาให้ท่านจะจะได้ชื่อเป็นลูกที่ซอแล้วข้อที่หนึ่งลูกต้องนาน้ามอดอยาให้ขาดสองต้อง่ต้องไม่ให้วุ่นยุ่งกับยาเสพติดข้อที่สามีภรรยาและมีสามีที่ดีข้อที่สี่ให้ขออุทิให้พ่อแม่สม่ำเสมอ ถึงพ่อแม่จะตายไปสิสิบปียี่สิบปีแล้วก็ตามนั่นหละคืวันลูกที่สองแล้วและอีกเรื่องเนี่ยจะขอฝากก็คือว่ามาเลกาเนี่ยจะขอดุอาให้กับคนสิบสองกลุ่มนะอยากให้ขออออยากให้มาลกาขอออนอให้เราไหมถ้าอยากขอก็ขอแนะนำสิบสองกลุ่มมีใครบ้างกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มคนที่ มามามารอนะมาดมานอนระบายที่มัสยิดนะมานั่งรอสักสิบนาทีสิบห้านาทีก่อนจะเข้าเวลานี่มาเลกาจะขอดูอาให้กับคนประเภทนี้กลุ่มที่สองก็คือคนที่ลุกขึ้นทานอาหารสะฮุเพื่อจะถือบวชไม่เคยที่ถื อ, ถอบวชระหว่างที่ทานอาหารสะฮุนเนี่ยเอาละ สมริกามาขอดุอาให้เนี่ยมันเรื่องของเราหมดเลยเนี่นะเรื่องคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่อ a าะ a h แล้วก็คนที่นึกจะนึกจะบริจาคสม่งเสมออยู่ในใจอยากจะบริจาคทรัพย์สินของเราที่มีอยู่ในอยากจะบริจาคให้มสัสยิดให้โรงเรียนให้เด็กกำพร้าให้คนยากคนจนใจมันได้อยู่ตลอดเวลาขณะมเลายาจะขออวให้คนประเภทนี้ข้อที่ห้าคนที่เห็นซอกว่างไม่ได้ มักจะชอบไปเดินข้าเข้าไปในซอกเพืจะให้ซอกมันเต็มไม่ให้ชาตอนเข้ามาเข้ามาอาศัยอยู่ในซอกอย่างซอกมันมีอย่างนี้มาสอกน้ำมันยังไม่เต็มมันยัมีอย่างได้อีกคนหนึ่งอ่ะอย่าเพิ่มไปตั้งซอกใหม่เดินเข้าซอกแรกไปเลยไปอุดช่องโบน้อยนะักบาลีกาจะขอดุอาศให้คนประเภท น, นี้แล้วก็ข้อที่หกคนที่ไปเยี่ยมคนป่วย ขอบคุณเาหตี ป, ปว่วยคนมาเยี่ยมเยอะทำตัวดละถ้าว่ามาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยีมคน ป, ป, ป่วยเรขออ่นคนป่วยเป็นเป็นหรือเปล่าผมก็สอนให้ลูกหลานขอว่ารอลลามอนีอัสอลูกะอัสลัลลอฮ์ลอาซิมรับบัอลอาลซินอซิมอายัชฟีอากานี่เป็นดวงอ่ของคนคนดีที่มาเยี่ยมคนปว่วย มัเลกาจะขออาให้คนที่มาเยี่ยมด้วยอัสสลลุลลอฮอันอาซิมรบบันอารซินอาซมอัยยัชฟิยกะอัสลลุลลอฮัอซมวเจ็เที่ยวอัสลลุลลอฮัอซมรบัอริอซมอัยยัชฟิยกะขอทีเจคนที่ขออาให้กับ คนอื่นแ ม, แม้แม้แต่เรามาดูจากเขาก็ขอขอให้เขาด้วยขออุทิศให้ครับมีอุลมะอยู่คนเขียนบอกว่าศัตรูเนี่ยขออุทิศทำความดีให้เรามากกว่าเพื่อนเรานะทุกขรา้งที่เขานินทาเราด่าเราเนี่ยเอาละเอาความดีของเขาเนี่ยเข้าบัญชีเราท่านเลพูดบอกว่า ความดีของเราอยู่ในบัญชีเราสนใหญ่มาจะาศัตรูไม่ใช่มา จ, า ก, มาจากคนรักหรคนรักในลืมไม่ได้นึกถึงเขาหรอกแล้วก็คนที่เจ็ก็คือคนที่ห้สลามเสร็จแล้วย่าเพิ่งลุกขึ้นออกจากมัสยิดให้นั่งอ่านสุภาหลมารอสุภาหลมาอนี่แหละอัลลอ์จะให้มล า, ายกะมาขอรองให้คนประเภทนี้ คนที่รักษานรรมด์เยมามกริบกับเวลาสุบเนี่ยไม่ให้ขาดยัสมาอายาติล พวกเขาได้ฟังองค์การทั้งหลายของอัลลอฮตุทะลาลัยถูกสาทยายจากเขาสุมมายุซิรูแล้วพวกเขากลายเป็นมุสตักบบรอนเ บ, บวะโอหังดื้อรั้นกัอัลลมยัสมาหาเหมือนกับเขาปะหนึ่งว่าเขาไม่ได้ยินฟะ บ, บัชิรูจงแจ้งข่าวดีบิอาจาวินการลงโทษอาลิมที่เจ็บปวด มีคนที่ฟังกุรอานศึกษาอัลกุรอานางพเราด้วยนะที่ศึกษาอัลกุรอานแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วแต่ไม่ไม่ไม่ปฏิบัติตามอกุรอานก็ถูกลงโทษด้วยนี่เขาถึงพวกเราด้วยนะอัตโตมะยาติกา่าอิอาลิมามินอายาตินาชัยอิดว่าเมื่ออาลิมารู้ มินจากอาญาตินาสัญญาณต่างๆของเราใช้อ่านเล็กๆในนั้นเมื่อมีความรู้เกี่ยวกับคุรานเล็กๆในน้อยเนี่ยแทนที่จะน้อมนํามาไปปฏิบัติอิจต้าขซาฮุจะว่าเอากุรานอาานนั้นแหละม า, มามาหัวเราะเยอะมาเยอะเย้ ย, ย, ยมีบ่าวมีสิอยู่ในยุโรปเยอะอยู่ในอเมริกาโพตะวันตกเนี่ยดูถูกอิสลาม แม้แต่เราเองก็ถูกถูกโหเละโหเลายาะนุ่งนุ่ปายมาใสากุฎจ้าก็ถูกดา่าส่โตก็ถูกดา่าอุลาอิกะละหุมอุลาอิกะเป็พวกพวกเขาเหล่านัา้น แล้วหุมสำหรับพวกเขาเหล่านั้นอาจาบุญการลงโทษมุหินที่ตามต้อยที่อัปยศนี่สับทำได้นะอาญาสภิรคะม์อาจาบุญประการลงโทษมุหินมุหินปรว่าตามต้อยหรืออัปยศมิววาโร อ, อิหิมสับเดิมวาโรไปบ่าข้างหลังแต่ในตับสิทธทุกเล่มแปลว่า อินฟลอนแปลว่าข้างหน้าของพวกเขาภาษาอุดุอธิบายว่าอาเาเกแปลว่าข้างหน้ามาจะกสับเดิมแปลว่าข้างหลังจต่ตอนนี้แปลว่าข้างหน้ามาจากข้างหลังมิววารอีหิมข้างหน้าของพวกเขาเหล่านั้ น, า น, น, นจารันนำสู่ไฟนรกมิววารอีหิมจารันน ว่ารอแปลว่าข้างหลังสับเดิมมาแตะตรงนี้แปลว่าข้างหน้านะแปลว่าอาเกหรือว่าอินฟรอนด์อินอินฟรอนด์ออฟเดมข้างหน้าของพวกเขาเหล่านั้นยานน้ำคือไฟนรกเวาลายูกันีอัานหุมลายุกนี้ไม่มีประโยชน์ใดๆอันหุมแกพวกเขามากรสบูระสืที่เขาได้ขนควาย ความดีที่เขาทำไว้โดยเล็กน้อยก็ช่วยเขาไม่ได้เลยความดีที่เขาทําบนดุลยานี่แหละช่วยเขาไม่ได้เลยนะ่ะต้องการจะเตือนคนที่ไม่เอาอิสลามไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาสุนนะนะเบมาเป็นแบบความดีที่เขาทําบนดุลยานี่ทําทำทำทำเพื่อสังคมนี่แหละไม่มีประโยชน์ช่วยเขาไม่ได้เลยในะวันเกียร์มานะช่วยไม่ได้สักนิดหนึ่งเพราะเขาไมา่ได้ทําเพื่ออัลลอฮ์ ว่ลามตคูมินดูนิลอวอลิยและพวกเขาไม่ได้ยุดอตาโคซาไปว่ายุดผมมาไปว่าไม่วลามาตาโครแลวพวกเขาไม่ได้ยุดมินดูนิมินดูนิลอาอลิย เอาเลียแม่ว่าที่พิ่งหรือคุ้มครอง อืนจากอัลลอฮ์ดูนิ่แล้วอื่นจากอัลลอฮ์คนที่ยึดอื่นไม่เอาอัลลอฮ์แต่ยึดสิ่งอื่นเป็นที่คุ้มครองเนี่ยในวันกิริมาห์เขาดทุนหมดเลยนะถึงได้มีประทัดดังตามที่ต่างๆใช่ไหมเราไปตายกระมีใช่ไหมวา่าจอดประทัดปุ่งปังปุ่งปังปุ่งปั ง, ป ง, ป ง, ป ง, ปงนั่นขอจากใคร ขอจะเต้อนทัท้งหมมันมจะขอจะกรอคนที่ยึดสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นเป็นที่พึ่งเนี่ยวะลุมอาจับุนอาซิมมิมิสามัญนะอาจับุนอาลีมอาจับุนมูฮินอาจับุนอาซิมเนีย่ยอาซิมแปลว่ายิ่งใหญ่การลงทษ อ, อ ย, ยิ่งใหญ่ อาซาบุมโมฮีนการลงโทษที่ตามใจที่อภยศอาซาบินอาลีมการลงโทษที่เจ็บปวดสามายาคล้ายๆกันเนะนะนะอันคือคนที่ปฏิเสธอิสลามได้ยินกุณอ่านแล้วปฏิเสธอิสลัมคณุออคณอานวอสยศคุรอานดูถูกคณุณอ่านเยียบย่ำอลัอลกุรอาน เอาเอาเรื่องนี้มาไว้กับตัวเราเองด้วยเช่นอย่างมรดกเนี่ยเวลามันไม่ได้แบ่งก็เขาเก็บว่าคนเดียวก็ผ่าบาปนะผิดนะถ้าแบ่งก็ต้องแบ่งตามหลักอิสลามพอทราบเส้นมีไว้เพื่อแบ่งไม่ใช่เพืเพื่อเก็บเพื่อบริจาคกับคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นในสังคมฮะฮาฮูดะฮะฮะแปวอันนี้ฮูดะ นี่คือทางนำแหละฮาดาฮูดานี่คือทางนำฮาดาฮูดานี่คือทางนำที่มาจากอัลลอฮ์ทางนำที่ถูกต้องใครนำเอาไปใช้เจริญหมดวลละลัดีนักกฟารูและบรรดาผู้ที่ปฏิปฏเสธบิอาญาติ สัญญาณต่างหลายรอบดีหิมของพระผู้อภิบาลของพวกเขาแล้วหุมอาญาบุญสำหรับพวกเขาในคือการลงโทษในครั้งที่สี่แล้วนะมิมรมิริจิซนอาลีมริจิินบาการลงโทษเลวไราอาลีมบาวเจ็บปวดอะยะที่หนึ่งที่สองที่สา ม, ท, สามที่สี่แล้วเนี่ย อาซาบุนอาลิมอาซาบุนมิริจซินอาลิมริจซินแปลว่าเลวร้ายอาลิมแปลว่าเจ็บปวดห้าอายาแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องการลงโทษสําหรับคนที่ปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธอิสลามปฏิเสธสุนนะนบีระพูดได้นะปฏิเสธสุนนะนบีปฏิเสธกุรอานปฏิเสธอิสลาม มาดูความเมตตาของอัลลอฮ์มีอะไรบ้างอัลลอฮ์ให้กันโลกใบนี้อัลลอฮุลลอฮีอัลลอฮ์ผู้ผู้ทรงซักขระให้ความสะดวกซักขระแปวะ่าให้ความสะดวกละกุมแก่สุขเจ้าอัลบาฮรอสร้สางทะเลมา เพื่อให้ความสะดวกแก่สุเจ้าทะเลทำในบางลอนเล่าเลยลิตาเจริยาให้แล่นอัลฟุลกับแปลว่าเรือใหญ่ๆ่เนี่ยนะเรือประมงเนี่เรือเดินทางตั้งหลายหลายชาติมียังไงเรือนะเจ้ม่ลิตาเจริยาลิตาเจริอัลฟุลกูฟีฟีแปลว่าในมหาสมุทรในทะเล บีอาริย์ด้วยการอนุมัติของของพระองค์เธออลลัมอลล์สั่งให้เป็นลมพาไปนะเครื่อง ย, ยนมันช่วยไม่ได้เท่าไหรเราลมน่ะพาไปทำให้เรือวิ่งแล่นนะนั่นดูการอนุมัติของอลล์แล้วก็เล่าอีกวาลีตาปะตะวูเพื่อท่ทั้งลาจะได้แสวงหามิมฟันยิรีความความโปรดปรานของพระองค์ อัลลอฮ์ให้ทำไมเนี่ยวัชสุทธานี่ดีละและกุ้มตาชุรุเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ขอบพระคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มหาสมุทรใ ห, ให้ทะเลให้เรือมาเนี่ยจะทำไรก็ตามไม่มีประโยชน์หมดเลยนะ นั่นแหละเพื่อเราก็ได้ขอบคุณอัลลอฮ์รวมไปถึงนั่งเรือก็องมีการต้องมีดูอาอ่านใช่ไหมนั่งรถต้อมีดูอาอ่านใช่ไหมนั่งตกขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนมาตัวไซนั่งก็อันบิสมิลลาห์ออกจาบ้างก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์เอาต่อไปอะยะที่เท่าไหร่ ว่าักขอราละคุมมาฟิสมะวะทีว่มาฟิล อ, อาอรดีจามีฮะอัลลอฮได้ให้ความสะดวกจากสู่เจ้ามาฟิสมาวะสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดว่ามาฟิลอารดีละสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะอยู่ตรงไหนของโลกก็ได้ก็พยพไปเลย ถ้อยู่ที่คอนคาตแล้วม่สามารถทีจะนมาได้อยาอยู่นบีซัมยาอยู่ไปอยู่ที่อื่นที่เขามีเสียงอาจารพาเราเข้ามัสตินและสอนเราให้เข้าใจอิสลามไปเลือกไปอยู่ที่ตรงนั้นอยาอยู่ในที่ที่ทําให้เราหลงทางอารมณ์เสดจะมีฮาทั้งหมดนั่นอหละลอให้มาเพื่อเพื่อมนุษย์ อินทนระแท้จริงฟีซาลิกะในในใ น, ในชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นนะ่ะละอาญาตินมีสัญญาณต่างๆลิกามินสัมมูชนยาตพั ก, กรุนที่พวกเขาชาติปัญญาถือมุมินต้องชาติปัญญาตลอดนะ คิดคิดทีหนึ่งอีวานเพิ่มทีหนึ่งนะคนจะให้มลิกาขอขอดูอา่าอีกเรื่องหนึ่งนะก่อนนอนควรจะมีน้ำนำมาดก่อนนอนนะอย่านอนแบบคนคาเฟ่ทั่วทั่วไปให้แปลงฟานอาบน้ำนำมาดก่อน แล้วก็อ่านสามกรุณา ล, ลูบไปทั้งตัวนี่ก็นอนแบบนี้นอนตามสุนนะนบีเนี่ยแล้วก็เอามือขวาจับแก้มขวาแล้วนอนอ่านดวงงันบิสเนี่ก็ลลอฮุมาอามุตูอะฮยะแล้วก็นอนตะแคงขวาตามสุนนะนบีเนี่ยแล้วมีนำนำมา ด, ด้วยอลัลลอฮ์ให้มันเลยการนามะมายืนเฝ้าเราบนในห้องนอนเราเนี่ยขอมาเราด้วยทั้งเช้านะนี่คือความเมตตาอันยิ่งใหญ่นะ ที่นี่คำว่าสะอาดที่มาถึงมีน้ำน้ำมาด ต, ต่อมายะ ท, ที่สิบสี่กุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดลิลลลีนามานูสำหรับผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายให้กล่าวกับคนศรัทธาทั้งหลาย ยากฟีร ja, Ein ูจงให้ให้พวกเขาให้ให้อภัยอย่าเอาเรื่องนี่เป็นศาสนาการการไม่เอาเรื่องคนเป็นศาสนานะยากฟีรูให้อภัยลิลดลีกับหมู่ชนที่ลายรยูนะที่ไม่ได้หวังอายามลละวันทั้งหลายของอัลลอฮฺอธิบายยังไงวันทั้งหลายของอัลลอฮฺมาถึงวันเกียร์มาคนที่ไม่เชื่อวันวันวันวันวันวันเกียร์มาเนี่ย ก็สาเหตอาหนี้ลวทานอะไซนาอุมาเดียวรออนุท่านถูกแกล้งถูกคนคาเฟ่แกล้งแล้วก็อรประธานกุณอาลมาอย่าเอาเรื่องเขามาให้อาภัยเขาไปพระอุมาลก็ไม่ยอมใช้ตัวการจะแก้แค้นอาญประธานลงมาบอกว่าอย่ากแก้แค้นเพราะว่าถ้าแก้แค้นไปแล้วะ เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมุสลิมมุสลิมกำลังน้อยอยู่จำนวนน้อยอยู่ถ้ า, ถาทะเลาะกันไปทำสงครามกันจะใครแพล้ล่ะมุสลิมสิแย่อ ล, ล์ลอร์ดิสานากับเียกูนอาเรยวก็ใครถูกรังแกไม่ต้องไปแก้แค้นปล่อยไปเดี๋ยวเราจะจั ด, จดการแทนเองกุล ล, ล, าาลิลลีนามโนยาฟิุลลิลลีนัลายารจูนาอายามั ล, ล้อ ลีาเจซียายก้ามันบิมากานูยักษีบูนสู้ไม่ได้ก็ให้อภัยแล้วก็หวังรางวาัลตอบแทนจากอเลางานหลายอย่างที่เราทำอะไรไม่ได้จากกญะบุนญานี้นะเห็นกระเพาะราคุณอ่านเขาเยียบคุณอ่านนี่ใจมันรุ่มร้อนอยากจะแก้แค้นเอาทนไว้ก่อน เรามองดูเหตุการณ์ว่ากาเข้าไปจัดการนี่ทำให้สังคมแย่มากเลยพี่น้องปัตตนียาลาถูกเล่นงานหมดแล้งานเนี่ยให้อดทนไปก่อนให้อภัยไปก่อนระหวังระหว่ววางตอบแทนจากอัละลอ์นี่คือมันเป็นหลักศกาสนาทั้งหมดการให้อภัยนี่เปศาสนาด้วย คุณที่ลักนอามันอย่าฟิลุที่หลักนนล้ยืนยนอายามัลลอฮ์ asbabun n u z สาเหตุของการประทานอันอัลกรออานออญญาานี้ก็ลงมาเพราะมุสลิมมีจำนวนน้อยมากและอ่อนแอมถูกกดขี่ตลอดเวลาสู้ไม่ได้ก็ให้อาภายัยอัลลอฮ์รัก และเมตตาพวกเขานี่คือความสมบูรณ์ของอิสลามสู้ไม่ได้ก็มีก็มีรางวาัลด้วยใช่ไหมสู้ไม่ได้ก็มีไม่ใช่แพ้นะไม่ใช่ขี้แยไม่ใช่สู้ไม่ได้เพราะอัลลอฮฺสัง่งมีปกักกรานลงมาประทานลงมายอมเขยอมไปก่อนเพราะทรัพยไม่ได้จํานวนน้อยกว่าใช่ไหมนี่เป็นความเมตตานะ เหมือนกันคนที่มาสู่เราไม่ได้มีสามสามอย่างสามสามเรื่องหนึ่งฝ น, น, น, นตกป่วยสองแล้วก็กลัวพออัลลอฮฺพูดอย่างนี้ประผ่านนาบีเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่มานมาไม่ได้ก็มีรางวัลอยู่ที่บ้านด้วยนะต้องนึกตรงนี้ด้วยว่าโอ้ที่เราป่วยเนี่ยอัลลอฮ์ก็เมตตาเราด้วยมามัสยิดไม่ได้ก็มีรางวัลจะต้องนมานบัญชีไม่ได้ไม่นมาน ต่อไปอายาที่เท่าไร่ิบห้ามันอามิลาสลิฮันมันมันว่าผู้ใดอามิลาทำงานซอลและทำงานที่ดีได้กับใครฟารีนับสิฮีได้กับตัวของเขาเองได้กับตัวคนทำไม่ได้กับคนอื่นใครทำใครได้ใครไม่ทำไม่ได้ว่ามันอาซาใครที่ทำอาซาแปลว่าความช่วย ว่าอะไรหาก็ได้กระตกกระตวงเขาเองซุ่มมาีแล้วรบดีกลุ่มตุนยองน์แล้วยังพวกไอ้บาปของท่านตั้งหลายสุดก็จะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์หลังจากตายไปแล้วเราฟื้นขึ้นมาต้องไปรวมตัวอยู่ที่หน้าอัลลอฮ์คำว่ า, ายาะยาแปว่านั่งนั่งนั่งคุกเขา่าคุกเข่าตอนไหนหรู้เปล่าตอนช่างช่างช่างช่าง ตอนช่างตาช่างนะระหว่างเกียวมากเนี่ยทุกคนอยากอยากให้รอดหมดล่ะแต่มันจะรอดหรือเปล่าล่ะนั่งคุกเขา่าเราจะอยากให้รอดจังเลยพราะตาช่างมันเอานามานมาช่างคนละคนจะเพลิดน้มันมีบ่าไม่มีอากาศไม่มีถือบวชนไม่มีอ่านคุณอ่านไม่มีซิกโรลล์ไม่มีอาัตาช่างหมดอคนที่มีตาช่างอย่างพวกเรากสบายนยิ้มออกได้ใช่ไหม แต่คนอื่นทำไงล่ะวันนั้นเราจะแก้แค้นหมดได้แล้วเพราะอยู่บนดุนยาเนี่ยถูกยอ่อเยยมีคราวก็ถูกยอ่อเยจะต้องสบายตองอดทนตรงไห้อภัยมิสับอยู่คำานอายามร้อในวันทั้งหลายของอัลลอ์เนี่ยมาถึงวันนึ่วัน ว, วันวันตัดสินนะอายาม ล, ละวันทั้งหลายของอัลลอฮ์ไม่ใช่วันอีดนะอายาม ล, ละมันเป็นวันทั้งหลายของอัลลอฮ์วันของการตอบแทนต้องจะรับการตอบแทนแน่นอนมีวันเกียร์มากเนี่ยเพื่อให้รางวัลกับคนที่ทำความดีและลงโทษคนที่ปฏิเสธหลักการของอิสลาม ต่อไปอายอทิตอะไรสิบเจ็ดใช่ไหมวันละก็เดาใจนาบนี อ, อิสราออลฮะส6บหพอแล้วนะจะทมด้วยนีน่แหลคนที่อัลลอฮจะให้มานเยก็ามาขอทุกอาให้มีอยู่กี่กลุ่มนะสิบสองกลุ่มนะหนึ่งคนที่ มานั่งรอนำมาที่มัสยิดสองคนที่นั่งทานอาหารสหฮเพื่อจะถือบวชคนคนที่ร่างกายสะอาดก่อนนอนคนทีต่ตั้งแถวให้ชิดกันคือเราเข้าไปแทบเพื่อให้ให้แถวให้แถวมันชิดกันเนี่ยคนนั้นแหละล่อให้มาเลยก้ามาขอดุอาให้ แล้วคนเดียขอเราให้กับคนอื่นทางท่านจะเขาไม่รู้จักกันแล้วคนที่ชอบไปนมาศมากริบที่มัสยิดเก่าเนะี่ยสุบโบ๒เวลาเนะี่ยอย่าให้ขาดนะมากริบเก่ากับสุบโบนะพยายามมามาก่อนเวลามารอก่อนก็จะสักห้านาทีแล้วเมื่อนาะมาเสร็จแล้วจะเพิ่งลุกขึ้นออกจากซอกให้อะไรนะให้นั่งซิกุลลอฮฺสุบฮานาลลอฮฺนี่เป็นศาสนาทั้งหมดแล้วมีรางวัลด้วยไม่ใช่่มีรางวัล ยุนหนะะยึดทั้งหมดเลยนะนี่ได้ยินสิ่งเหล่านี้แลยต้องต้องน้อมรับไม่ใช่ทําเป็นหัวทุนรวมกูไม่เอากูไม่เชื่อมึงคนที่ทําสวยระดับ ก, การอิสลามเนี่ยกูเอาไงนะมีววรอเอมเบื้องหน้าของของพวกเขาวารออาจจะเบื้องเบือเบ้องหลังแต่ตรงนี้แปลเบื้องหน้าเบื้องหน้าของพวกเขาคือ j ะ h a น n a m คือนรก ถูกหมดเลยอย่างน้อยห้าอายาใช่มไห ม, ม ไ, ดได้เวลาอย่างหนึ่งไหมชัมม่วโมงยังลองเอาแค่นี้ก่อนนะครับ น, น้ำลายมันไหล ลูกที่ดีของพ่อแม่หนึ่งต้องอไรนะต้องนำมาอย่าให้ขาดสองทำไรนะอย่ายุ่งกับยาเสพติดอันที่สามเลือกภรรยาหรือสามีแต่งงานข้อที่สี่ให้ขอวาให้พ่อแม่ตลอดเวลานะลูกที่ดีถึงพ่อแม่จะตายไปสี่สิบปีห้าสิบปีแล้วก็ตามแต่คนที่พ่อแม่ไม่ใช่มุสลิมขนะอว่าให้ให้ไม่ได้นะ นบีเองก็ขอให้พ่อแม่ตัวเองไม่ได้ด้วยพ่อตานในสภาพเดียบมันจะเป็นมุสลิมับบานะกัลลอฮฺมะวะบิฮัมดิกะอัลชาดิวัลลาอิลาอิลาอิลาอันตะสตัฟุริกะอัลตูฟุลัย